เนี่ยกวินิจฉัยอริยสัจมาได้หลายข้อแล้วเนาะข้อแรกก็วิเคราะห์โดยสับทบทวนนิดหนึง่งว่าทุกขสัจนั้นโดยสับหมายถึงสิ่งที่น่าเกลียดและว่างเปล่าสิ่งที่น่าเกลียดกับว่างเปล่าส่วนทุกขสมุทัยก็คือเหตุเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกขนิโรธก็คือ ไม่มีห้องขังคือหรือว่าพ้นจากคติทั้งปวงส่วนมากก็คือข้อปฏิบัติที่มุ่งต่อพระนิพพานส่วนโดยอัดนนะในยะที่สองเรียกว่าโดยวิภาคหรือโดยอัถะทั้งสิบหกอัถะเนี่ยนะทุกขสัตว์มีสี่อัฐสมุทัยสี่นิโรสัตว์มีสี่มรรคสัต์มีสี่นั้นอัฐทั้งหลายเหล่านี้ก็ควรทรงจำนานะเอาไว้ประกอบการพิจารณา ว่าสัจจะนั้นเขามีอัฏฐะเป็นอย่างนี้นะผู้ที่ตรัสรู้สัจจะนั้นก็ต้องเห็นแบบนี้เห็นว่าทุกเบียดเบียนเห็นว่าสมุไทยนี้ประมวลมาเห็นว่านิโรดนีิสลัดออกเห็นว่ามรคนินำออกเป็นต้นเนี่ยนะอัฏเหล่านี้ควรทําความรู้ความเข้าใจเพื่อการแทงตลอดส่วนโดยลักษณะรสะป จ, จุ ป, ปทานเนี่ย น, นะลักษณะของทุกสมุไทยนิโรดมร ก, กิจของทุกสมุไทยนิโรดมร หรืออาการที่ปรากฏของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็ควรทำความเข้าใจส่วนการแสดงอริยสัจเนี่ยนะก็แสดงตามลำดับเทศนาไม่ได้แสดงตามลำดับลดับการบรรลุเนี่ยนะคือแสดงโดยเหตุผลที่เรียกว่าทุกขสัจเห็นง่ายเอามาประกาศก่อนเอามาบอกก่อนเป็นลำดับแรกสมุทัทยก็เป็นเหตุของทุกเป็นต้นดังกล่าวไป ส่วนเหตุผลที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้สประการนั่นะนะคือทุกสมุทัยนิโรธมักไม่แสดงลดมาเหลือแค่สาไม่แสดงเกินเป็น5แสดงแค่สี่ประการเพราะว่ามันเป็นเหตุผลอย่างนี้นะแสดงต่ำกว่าก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้เหตุผลดังกล่าวไปก็เพราะเช่นทุกขสัต์เป็นปริญยยธรรมสมุทั ย, ยศาสเป็นปหาตปรธรรมนิรโรธศาสเป็น สัจจิกาตประธรรมมัคสะเป็นภาเวตปรธรรมแต่ถ้าแสดงเกินกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะแสดงเกินกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ความสมบูรณ์แห่งสัจธรรมไม่มีท่นนานสัจจะมีจริงๆมีอยู่สี่ประการเท่านั้นนนทีนี้มาดูโดยอารมณ์แห่งยานหรือว่าโดยญานะาณะหรือสติปัญญา โดยเฉพาะปัญญาที่เข้าไปรู้อริยสัจเนี่ยนะหรือรู้สัจจะท่านบอกออกแบ่งออกเป็นสองอย่างปัญญาที่รู้สัจจะนี่มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งอนุโพธยานสองปฏิเวทยานอนุโพธยานนั้นเป็นยานที่รู้สัจจะโดยลำดับหรือหรือที่เรียกว่าเป็นการตามรู้สัจจะเนี่ยนะอนุแปลว่าตามน่นะโพธาก็แปลว่าตรัสรู้นี่นะ ยานที่รู้สัจจะโดยลําดับอ่ะที่เป็นโลกิ ย, ยานถามมันนับตั้งแต่ไหนนับตั้งแต่การฟังอริยสัจเนี่ยนะนะก็ถือว่าเป็นยานที่รู้สัจจะหละนั่นแหละนะตั้งกับตั้งกับฟังเลยนะฟังวันนี้ทุกฟังวันนี้ทุกขสมุทัย น, น, นี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทั้งการฟังทั้งหลายนี้ก็ถือว่าเป็นการตามรู้สัจจะเหมือนกันนั่นแหละนะ ยานที่เป็นอนุโพธะนั้นเป็นโลกิยาญเป็นโลกิยาญซึ่งแบ่งทั้งสุตตมยะยานจินตามายะยานและภาวนามายะายานก็แบ่งออกทั้ง3าเลยนะสุตจินตะและภาวน า, า, นาส่วนปฏิเวทญาณ น, นั้นเป็นภาวนาอย่างเดียวเพราะเป็นโลกุตระยานที่เป็นโลกุตระเรียกว่าปฏิเวทญาณปฏิเวทญาณ น, นั้นแทงตลอดด้วยยานเดียวนี บรร ล, ลุในขณะเดียวแทงตลอดด้วยยานเดียวบรรลุด้วยยานเดียวส่วนที่รายละเอียดที่จะต้องอธิบายเยอะอธิบายมากอันนี้เป็นโลกิญญาณะทั้งทั้งหมดนั่นนะเพราะว่ารายละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงโลกุตระนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนถามว่าที่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะอะไรเพราะหมู่สัตว์นี่มันรกนั่นนะหมูสัตว์นี่รกด้วยตันหากับรกด้วย มันยุ่งเหมือนยาบปล้องยาบมุงกระตายมันรู้จะออกยังไงแต่ว่าง่ายๆก็ถ้าพูดแบบลกชาวโลกหยาบๆนะคนที่มีหนี้สินง่ายๆมากๆเนี่ยปลดยังไงอ่ะปลดง่ายหรือปลดยากไอ้ตอนที่ตอนหมดมันไม่ยากใช่ไหมไอ้ค่ะทั้งงวดสุดท้ายเลยนะที่ที่ตอนจ่ายงวดสุดท้ายนะขนาดจ่ายนี่ไม่ยากแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเรื่องมากฉั้นใดก็ดีการ ร, รู้อารยศัพ ที่จะปลดเปลื้องตัวเองออกจากวัตตะก็เหมือนกันเพราะปัญหาที่เราหมักหมมสะสมเอาไว้ในวัตตะนี้มากจริงๆมากขนาดไหนมากจนว่าเห็นอารมณ์ที่น่าพอใจชอบเลยเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจชังเลยทุกอารมณ์ไม่เคยเอามาทําปริญญาเหมือนกันนะอย่างมากก็รู้เออนี่คืออะไรไม่เที่ยงยังไงก็นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะไม่เคยทําปริญญาเพียงพอที่จะชำแรละกิเลสเลย อยังมากก็ได้แต่ทางข้าปหารนิดๆหน่อยๆวิคงขำพนะประหารบ้างเป็นครั้งคราวอันที่เหลือนี่ก็เต็มไปด้วยความรกชัดเนี่ยนะหมูสัตว์นี่รกชัดด้วยตันหารกชัดด้วยทิฏฐิคิดไปคิดมาคิดเรื่องชาติหน้ามากๆดูเหมือนเที่ยงบางทีคิดไปคิดมาเอออีกหน่อยเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็จบกันอันนี้คิดไปคิดมาเอ้มจะเข้าศูนย์อีกแล้วใช่ไหม อยู่ๆนะคิดขึ้นมาลอยๆเรื่องชาติหน้านะดีไม่ดีเป็นสัสว์ทิฐิเลยนะถามไม่แยกแยะให้ดีๆนะคือเรื่องตายแล้วก็จบกันชีวิตมันก็มีแต่คิดเท่านี่นแหละเจะเอากระดูกเราไปเก็บไว้วัดไหนเนาะอย่างเงี้ย น, นะถ้าคิดอยู่เข้านี่นะดีไม่ดีจะเข้าอุเฉททิถิเ <ๆ S 1> พราะไม่มองโดยความเป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์สืบเนื่องกันใช่ไหมตามหลักปฏิจจสมุปบาทหันหมูสัตว์ที่ยุ่งยากมาก แก้ยากก็คือไอความรกชาติด้วยอำ น, นาจทิฏฐิทั้งที่เป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิทั้งที่เป็นสัสตาทิฏฐิแต่เหตุผลทั้งนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากตัณหานั่นแหละเพราะว่ามีความพอใจเพลิดเพลินปฏิเสธได้ไหยว่าไม่ชอบมหาพูดนะลองหิวเยอะๆดูเถอะโอ้หมหาพูดที่โปรดปานนะถ้าร้อนมากๆนะต้องการมหาพูดจริงหรือเปล่าร้อนสักสี่สิบองศาเนี่ยนะโอโต้องการมหาพูดเลยแหละ หิวมากๆนะกระหายน้ําไม่ได้ทานน้ํามาสักสองวันเนี่ยนะโอ้โหกระหายอาโปธาตุมากหนาวเหน็บนี่ก็กระหายเตโชธาตุมากง่วงมากๆก็กระหายปัตวีธาตุเหมือนกันนะที่ไหนมีที่นอนบ้างเนาะอย่านั้ น, ก, นนะก็ถ้าว่าไปรวมๆก็กระหายน้มหาพูทธนะเราติดข้องในมหาพูทกันมากขนาดนั้น ในความติดข้องมหาพูดธเนยมหาพูดมันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นสารพัทิฐิเนี่ยนะดินแดนโคโจรแห่งทิฐิจริงๆเลยนะมหาพูดเพราะมหาพูดธนั่นแหละจึงมีทิฐิมากมายในโลกเพราะว่ามันเข้าไปคิดในเรื่องว่าไอ้มหาพูดมันคืออะไรเป็นที่ตั้งแห่งสารพทิฐิเลยนะ ทิฐิที่เรียกว่าทานมีผลทานไม่มีผลก็เอาเรื่องมหาพูดเอ๊ะถ้าบริจาคมหาพูดมีผลหรือเปล่าถ้าทําลายมหาพูดมันมีผลหรือเปล่าถ้ายอะเอามหาพูดโดยที่ไม่ชอบทำเนี่ยมีผลหรือเปล่าเป็นต้นนะก็มาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดนั่นแหละกรรมบด ท, ทั้งหลายก็วนๆอยู่กับมหาพูดนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นทิฏฐิเนี่ยมันรกมันชัดเกี่ยวข้องกับกับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาเนี่ยนะ อย่างครั้งก่อนนวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งตันหาทุกขสัตย์ในฐานะเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งตันหาตันหาก็คือตัวที่ติดข้องพัวพรรนในมหาพูดเป็นต้นนั่นเองแต่ว่าดับได้ทีนี้การบรรลุอริยสัตว์เนี่ยที่มันยากก็เนื่องจากว่าหมู่สัตว์เนี่ยรกชัดจริงๆที่ที่จะเข้าไปเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะโดยลำพังของตนแล้ว เว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นพระประเจกพรพุทธเจ้าบุคคลที่เหลือไม่ใช่ฐานนะที่จะรู้โดยลําพังเพราะว่าปกติแล้วหมู่สัตว์นี้รบชัดอยู่บนความเข้าใจว่าเราว่าของเราใช่ไหมคือการแก้ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนมันอยู่บนพื้นฐานว่าเรานะว่าของเราเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันก็จะแก้ด้วยอัคติตลอดคือไม่ได้คิดแก้ปัญหาว่าความจริงมันคืออะไร เหตุผลมันสัมพันธ์ยังไงถ้าดับเหตุผลดับยังไงมันไม่คิดแบบนี้หรอกมันคิดว่าเออแล้วแก้อย่างงี้เราเราจะได้อะไรบ้างถ้ามันเป็นอย่างงี้แล้วเราจะได้อะไรเนี่ยนะคืออำนาจฉันทราคะที่ติดข้องในมหาพูดนี่ก็โอ้ยิ่งใหญ่จริงๆจําได้คุณสุจินไปศึกษาร่วมครั้งแรกเลยนะที่ล้านานาเนี่ยก็ใช้คําที่ก่อนข้างเราฟังแล้วจําได้ ท, ทันทีเลยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าใจว่า ใช้ภาษาหลวงพ่อคูณ <c oughs> ก็เลยจำแม่นวันนั้น <c oughs> <c oughs> ดีไม่อัดเทไพไว้ <c oughs> อะนะเพราะเข้าใจว่าเป็นนี่แหละเรใช้ภาษาหลวงพ่อคูณนะที่จำได้ คือพื้นฐานความคิดของของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะการแก้ปัญหาของสัตว์เนี่ยมันอยู่อย่างนี้จริงๆไม่ได้คิดวันนี้ทุกทุกมันเกิดเพราะเหตุนี้ถ้าดับทุกมันดับอย่างนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้เพื่อดับทุกไม่ชิดนะมันคิดแบบนั้นมันคิดว่าเราก่อนเออเรามีปัญหานะเออแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงมันอยู่บนพื้นฐานของเรา ท, ทั้งหมดเลยนะมันไม่ได้มองตามเป็นจริงว่าความจริงของสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่มันไปสําคัญว่าของเราก่อนะ่ะนี่อันนี้แหละที่ที่มันแก้ปัญหาตั้งกับเบื้องต้นนี่ยากมากเพราะฉะนั้นสัจจยานเนี่ยนะสัจจยานยานที่รู้สัจจะเช่นยานที่รู้ทุกขสัจจะนี่จึงห้ามสกายทิฐิก่อนเป็นลำดับแรกมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรานะมันคืออะไรมันคือขันห้า มันคือมหาพูดมันคืออายตนะอย่างนั้นนะ ก, ก็ประกาศตามควเป็นจิว่าจริงๆมันคืออะไรเห็นไหเคถ้ารู้ความจริงแล้วใครจะแบกก็แบกไปเถอะแต่ว่าแยกให้มันรู้ก่อนว่าอะไรมันเป็นอะไรเนี่ย น, นะว่าจริงๆมันก็คือขันธาต์อายตนะอย่างการเห็นเนี่ยก็ขันใช่ไหมเห็นถ้าขันไม่ประชุมกันเห็นไม่ได้อยู่แล้วถ้าอายตนะไม่ประชุมกันก็ได้ได้ยินเสียงไม่ได้นะถ้าธาตไม่ประชุมกันนึกไม่ได้อะ เพราะความที่ท่าทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะประจวบประชุมการด้วยอำนาจตัดใจทั้งหลายเนี่ยแต่นี่มันไม่คิดเนี่ยมันเราก่อนละขึ้นมาด้วยเราก่อนนะหรือว่าของเราก่อนมันก็เลยตกอยู่ในส ก, กายัิทิฏฐิเนี่ยนะาสำคัญว่าเป็นเราก็เป็นกลมกลมอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะ คือสกายะที่ถเนี่ยถ้าแยกออกไปแล้วมันก็แบ่งออกเป็นสองคือสกายะกับอุเฉตถ้าสําคัญว่าเป็นของเรามันจะตกในสัสตต์คือคือขันทุกขันเนี่ยมีเที่ยงไหมอายตนะทุกอายตนะเนี่เที่ยงไหมไม่มีเที่ยงแต่ถ้าสําคัญว่าเป็นเราปับ๊บนะมันประกาศถึงลักษณะของอุเฉตมันรู้ว่ามันมนไม่เที่ยงอยู่แล้วใช่ไหม แต่ถ้าเป็นของเราปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเรามันตังถากแต่เราเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเราเนี่ยมันเที่ยงแต่อันนั้นในมันของเราไก่ของเรามันไม่เที่ยงหรอกแต่เรานี่มันเที่ยงอันถ้าใช้คำว่าเราเนี่ยมันประกาศถึงกลุ่มอุดเชิดเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไงเราคิดเราอะคิด ไอ้ความคิดมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะก็ไม่เที่ยงใช่ไหมถ้างั้นเราก็ไม่เที่ยงไงแต่ถ้าบอกว่าความคิดนี่มันของเราก็เลยสําคัญว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นอัตตาใช่ไหมอ่าเขามีอย่างนี้นะว่าว่าขอทานหน่อย คุณบนมีนี่เป็นนักเรียนดีจริงนะเห็นยืนปั๊บก็ยืนให้เลยนะบนคนละอ่าตีละถ้าถ้ากล่าวคำว่าเรากับของเราเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองส่วนไอความสำคัญว่าเป็นเราเนี่ยนะมันเป็นอุดเฉททิธิเช่นว่าใครสำคัญว่าอะไรเป็นเราบ้างอะ รูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเนี่ยเป็นเราห้าอย่างนี้เป็นเฉ ท, ทิธิเห็นไหมความคิดห้าประการนี้เป็นอุเฉทเห็นไหมพวกนี้สกายะนะสกายะนี่แบ่งออกเป็นสองชนิดชนิดที่เรียกว่าเป็นเรากับ เป็นของเราไอ้กลุ่มที่เป็นเราเนี่ยก็คือรูปเพ ร, เพราะมันก็มีทุกอย่างมันไม่เที่ยงหมดใช่ไหมมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าสำคัญอันใดอันหนึ่งเป็นเราเนี่ยประกาศถึงคนนั้นเป็นอุเฉดเนมันคิดอะไรมากนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วยังก็ว่าตายแล้วมันจบหมดใช่ไ อ, อคนเขาพูดกันค่อนข้างไม่ใช่น้อยเลยนะก็รีบกินรีบรีบอะไรไปเถอะเดี๋ยวตายแล้ว เพราะพื้นฐานคนเหล่านี้สำคัญโดยความเป็นเป็นเราแต่ถ้าสำคัญว่าเป็นเราเช่นความเห็นว่าเรามีรูปรูปในเราเราในรูปอันกี ก็คืออัตตานะคำว่าเราในที่นี้ก็คืออัตตานะถ้ากลุ่มนี้นะหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันพวกนี้จะเป็นสัสตะทั้งหมดนะเพราะเขาเป็นอุเฉทะอุเฉทะทิฏฐิเนี่ยสนะเป็นขอภปห้เป็ น, ออ 5, ปนสัสตะ15พวกั่านที่เรียกว่า เรามีเรามีรูปรูปในเราเราในรูปอะความนั้นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะสาคูณหก็เท่ากับ15้าใช่ไหมก็เปลี่ยนจากคําว่ารูปไาเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ในายะเดียวกันนั้นกลุ่มสําคัญว่าเป็นเป็นของเราเนี่ยนะว่าโดยรวมรวมก็คือกลุ่มของเราทั้งหลายเนี่ยเพราะมันมีเราอีกต่างหากใช่ไหมมันมีของเราเพรา ะ, ะถ้ามองในฐานะเป็นบริขารของเราพวกนี้ก็เป็น สัสตตทิถิฉะนั้นสัสตตทิถิมีสักายะทิถิมี20เป็นอุเฉทถิถิ5เป็นสัสตตทิถิสิบห้าฉะั้นผู้ที่เข้าใจทุกขศัตท์ว่าจริงๆมันก็คือขันห้าเห็นไหมจริงๆมันคือขันห้ามันไม่ใช่ใคลายร็อกมันคือขันห้านั่นแหละผุุ้ชนทั้งหลายสำคัญผิดเข้าใจผิดใช่มั้ย เข้าใจผิดว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างจะสำคัญยังไงมันก็ขันห้าวันยังค่ำเหมืนไถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าต้นต้นขนุนต้นขนุนมันก็ไม่ใช่ใครมันก็ไม่ใช่ของใครใช่ไหมมันก็ต้นขนุนวันยังค่ำนั่นแหละฉันใดก็ดีมหาพูทั้งหลายมันก็คือมหาพูหรือขันห้ามันก็คือขันห้าวันยังค่ำซึ่งเป็นขันห้าที่อะไรบ้างชาติชรา มรณะโศกกะปริเทวะเนี่ยนะทุกโทมนัสปายาตเนี่ยนะอันนี้คือธรรมชาติของเราละใครจะสำคัญยังไงก็ช่างเถอะฉันจะเป็นไปตามนี้แหละในเงื่อนไขของขันห้าเป็นอย่างนั้นนะคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเป็นที่ตั้งแห่งความลาบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจบ้าง นะบางครั้งก็วิปประโยควิปประโยคน์ว่าแปลว่าไม่ประกอบใช่ไหมไม่ประกอบกับอะไรไม่ประกอบกับของอันเป็นที่รักบางครั้งก็สัมประโยคสัมประโยคนก็ประกอบประกอบกับสิ่งที่น่าชังเช่นประกอบกับโรคอย่างนี้นะโรคนี้ไม่ชอบใช่ไมไม่ไดที่ประกอบกับโรคใดโรคหนึ่งอะไปตรวจเจอว่าเอ้าคุณอยู่กับโรคอันนั้นอันนั้นนะโอ้โหเดือดร้อนมากเลยนะ มันก็พวกนี้ก็ประโยคะทุกแล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือปรารถนายำปีชังเนี่ยนะปรารถนาแล้วก็เป็นเป็นตัวทุกข์มันจะคิดในแง่ไหนอะไรยังไงก็ช่างเถอะขันห้ามันก็เป็นขันห้าอยู่อย่างนี้วันยังค่ํานั่นแหละแต่ว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็สําคัญสําคัญผิดเข้าใจว่าเป็นเป็นของเราบ้างจะสําคัญว่าเราหรือว่าของเราก็ช่างเถอะมันก็คือขันห้าวันยังค่ำนั่นแหละ เ, เ, iya, เหมือนเอาเนีเหมือนเหมือนรถนะเราจะสําคัญว่ารถเราร่วมจะไม่ใช่รถเรามันก็เป็นรถอย่างนั้นมันยังเข้ามานะที่มันรู้จักเสียเป็นอะไรเป็นตามเงื่อนไขตามกติกาของรถนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าสําคัญหรือไม่สําคัญหรอกมไม่ได้อยู่ที่เราสําคัญหรือไม่สําคัญหรอกเพราะธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นอย่างร่างกายของเราน네ีร่างกายแต่ละคนแต่ละคนเ네นี่ยจะสําคัญว่าเป็นเราหรือไม่เป็นของเราก็ชั้งมันก็เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละสําคัญผิดหรือสําคัญถูกมันก็เกิดแก่เจ็บตาย และสำคัญถูงดียังไงอ่ะมันดีตรงที่ว่าไม่ไม่ไปสำคัญผิดนะไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือก็มุ่งไปดับที่เหตุนะเมื่อไม่ยึดถือก็มุ่งไปดับที่เหตุด้วยข้อปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนั้นก็จะพ้นจากกองทุกข์คือขันท่าได้อย่างแท้จริงอันพระองค์ประกาศทุกขศัตร์ขึ้นมาเป็นลำดับแรกก็ให้รู้เธอว่าเพื่อจะห้าม สกายะเนี่ยนะความสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราในอุปาทานขันห้านั่นแหละแต่ทีนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเดาวเอ๊ะถ้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรางั้นเราก็ไม่ต้องดูแลมันสิอันนั้นกิจในทุกษะนะแต่อริยศัสตร์มีสี่กิจใช่ไหมทุกษะควรทํำยังไงสมุทัยศัสตร์ควรทํำยังไงนิโรศาสต์ควรทำยังไงมรรคศาตร์ควรทำยังไ ง, ก, ง, ไงก็ไปแบ่งกิจซนะ นนะก็แบ่งให้ถูกตามกิจก็แล้วกันแต่ถ้าโขฟังอย่างให้เข้าน้อมไปเพื่อจะเบอร์นายชิงชังในขันห้ามากเท่าไหร่นะคนนั้นน่ยใกล้ถึงความพ้นทุกข์แล้วแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามห้ามโกรธขันห้านะนนนะ ก, ก, ก, ก, ก็แปลกนะมาเนื่องหน้าคิดน ะ, ะศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกว่าบอกขันห้ามันไม่ดีแต่ห้ามโกรธเอาสิเข้าไหมสมมติมเอาขันห้าก็คือขันห้าสรปุปว่าหนึ่ง คุณอย่าชังขันห้าตัวเข้าเองมันน่ารังเกียจจริงแต่ห้ามไปมีโทสะในในขันห้าถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้มีโทสะนะเท่ากับพระองค์สอนให้ฆ่าขันห้าใช่ไหมแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ฆ่าขันห้าเพราะห้ามชังขันห้าด้วยอํานาจโทสะแต่ก็ห้ามชอบขันห้าอีกนะไม่ใช่เข้าไปติดข้องอีก ไม่ใช่เข้าไปติดข้องหวังในขันห้าแต่ก็ห้ามลุ่มห ล, ลงอ่ะนะห้ามลุ่มหลงในขันห้าต้องรู้จักขันห้าตามสภาพที่เป็นจริงว่าขันห้าทุกขันห้าพ้นชาติชารามรณะไหมนะไม่พ้นหรอกอะ น, ะอ น, นาาะเนี้ยชาติชรามรณะนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ะ โกกาปริเทวทุกโทมณอุปายาติประโยคสัมประโยชนไม่สมปรารถนาบ้างแต่ก็มีใครมั่งปรารถนาเกี่ยวมันมันพ้นขันห้านะก็วนๆอยู่ในกขันหนะ้านั่นแหะแม้แต่ปรารถนาวิวัตตาก็คือปรารถนาเพื่อจะออกนาะจากขันห้าถือว่ายังใกล้อยู่กับขันห้าอยู่ดีเพรา ะ, ะนั้นคนที่ปรารถนาที่จะออกจากขันห้าแล้วออกไม่ได้จริงก็เป็นเป็นทุกข์ละเนี่ยนะนะ ก็โอ้เนาเราผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาขออย่ากเกิดเลยขอก็ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อขอไม่ได้ก็ก็ทุกข์อีกเหมือนกันขอเราผู้มีความเกิดในอบายเป็นธรรมดาเราอย่ากเกิดในอบายเลยเนี่ยนะขอไม่ได้อย่างเงี้ยมันทุกข์มากท่า <c oughs> นสรุปโดยสรุปว่าไอ้คาว่า ยานในทุกหรือทุกขยานเนี่ยนะยานที่รู้ทุกขศัตร์นั้นอนะ่ะละสกายะทิฐิถ้าแยกออกมานี่จะเป็นสองคำนะแยกออกมาจะได้สองคำคือสกายะกับทิฐิ ทุกขยานเนี่ยละตัวทิฏฐินะไม่ใช่ตัวละสกายะเป็นยานที่ละตัวทิฏฐิทิฏฐิไปสําคัญในกายว่าเป็นเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างสกายะนี้เป็นชื่อของอะไรว่ากายของตนเนี่ยนะจะเรียกว่าของตนก็ได้อะกายะเนี่ยนะกายของตนเนี่ยซึ่งความจริงมันก็คือ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเมื่อไรก็ช่างมันก็คืออุปาทานขันห้าวันยังเข้ามา น, นะจะเรียกขันห้าก็ได้อยายตนะสิบสองก็ได้ท่าสิบแปดก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้แต่ทิ่ทีนี่มันมันไปเข้าใจผิดเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอย่างทีวีก็ได้ทีวี TV หรือวิทยุเนี่ยนะ ว่าในทีวีมีคนอยู่จริงๆอะจะว่าไงเออจริงหรือไม่จริงมีคนอยู่ในทีวีหรือไม่มีมมจริงๆแต่ว่าเวลาดูเมื่อไหร่ก็เป็นก็เป็นคนน่นะจบลงในทีวีมีหรือไม่มีอย่างเงี้นะแต่เข้าใจว่ามีซึ่งจริงๆอะนะเขาก็เรียกอะไรนะเขาเรียกวาวงการใช้สับหนึ่งอะวงการมายาบ้างจอแก้วบ้าง เขาจะใช้ศัพท์พวกนี้อยู่นะวงการของเขาอ่ะนะถ้าเป็นภาพยนตร์เรียกว่าวงการมายา ก, ก, ยก็ใช่อะนะแต่ว่าแต่ว่าคํานี้นะกลายเป็นคําปกติแล้วนะเรียกว่าวงการมายาถ้าเป็นทีวีเรือจอแก้วแต่ถามว่าเวลาดูดูในหนังเนี่ยในซึ่งมันอยากกระดานอย่างนี้ใช่ไหมดูมันมีรูปนะโอ้ติดตามเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงจังเลยอ่ะถามว่าแล้วในนั้นจริงๆอ่ะมีใครอยู่บ้าง จริงๆมันก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวที่ถีดนี้สําคัญว่าเป็นเป็นลักษณะว่ามีสัตว์อยู่ในนั้นจ ร, จริงๆมีคนอยู่ในนั้นจริงๆหรือเอาเอาแบบภาพเขียนภาพถ่ายทั้งหลายแหละภาพวาดก็ได้ในภาพจริงๆนะเราดูเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไปหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือสีบางๆที่มาเต้มๆโดยเฉพาะเช่นหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะ เราก็เรียกว่าเออเนี่ยนะรูปนายกนี่รองนายกนี่รูปประธานนายที่บดีประเทศนั้นประเทศนี่แต่ถ้าว่าไปจริงๆมันก็คือกระดาษทาสออีแต่เราก็สําคัญผิดว่าอู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเลยนะอันนี้แหละไอ้ตัวที่เข้าไปวิปลาสตัวนั้นเรียกว่าเป็นทิฏฐิเนี่ยนะก็เป็นความเข้าชนิดหนึ่งนะเป็นเป็นความเข้าใจผิดชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวที่ละยากที่สุด น, นะนะเพราะว่าที่เป็นทิฏฐิเพราะไม่เคย กำหนดว่าเป็นหรือไม่มีทุกขยานยานะไม่มียานในทุกขศาสตร์เพราะไม่เคยไปพิจารณาโดยความเป็นขันธาตุอายตนะหรื อ, อสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเราไม่เคยเข้าไปวิเคราะห์ไม่เคยเข้าไปแยกแยะอันนี้ทั้นพระองค์แสดงทุกขศาสตร์ก็เพื่อจะให้วิเคราะห์แยกแยะให้พิจารณาตามเป็นจริงว่าองค์ประกอบเขาเขาคืออะไรเพื่อที่จะได้ละทิฏฐิเนี่ย ลทิิที่สำคัญว่าเป็นตนบ้างเป็นของตนบ้างส่วนสมุทยายานห้ามอะไรห้ามอุดเฉททิฏฐิทีนี้คนที่สำคัญว่าขันห้าอา้าวรู้ละองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อ, าอย่างอย่างเช่นวิชาสายใหม่เขาก็แยกแยกรูป้ได้เยอะแล้วนะ แพทย์นี่ก็แยกเดียวกับเรื่องขันท้าเป็มากซึ่งการแยกขันท้าเนี่ยพอแยกแยะเบ็ดเสร็จนะเช่นความเจ็บปวดมันเกิดจากอะไรมันประกอบไปด้วยอะไรถ้ากำจัดตัวนี้ความเจ็บปวดอย่างนี้มันจะลดลงเนี่ยถามว่าเขารู้ใช่ั้ยรู้แล้วถามว่าจุดจบของชีวิตมันอยู่ที่ไหน สมมติถ้าเอารูปเสียหายเขาก็รู้ด้วยว่า น, นามต้องเสียหายรู้ใช่ไหมว่าตายแล้วหลังจากนั้นเขาคิดยังไงต่อไปถ้าคนไข้าตายนะคุณตุจินคิดไหมว่าเขาเกิดใหม่แล้วหรือจบเรียบร้อยแล้วแวต่ตรงคิดยังไงดันเกตคิดยังไงเขาตายแล้วอ่ะคิดยังไงเขาเราคิดว่าเขาตายหรือว่าเขาเกิดใหม่แล้วเอออ หรือคือจริงๆนะเราแฝงด้วยความด้วยความเข้าใจยงไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งแหละสมมตินะเราเอ้าย่าเราตายแล้ว่ะเราคิดยังไงเอาหรือเราคิดว่าเขาเกิดใหม่แล้วอ่ว า, าอตายแล้วเพราะโดยรวมๆนะใครที่ที่ที่ถ้าถ้าเราสังเกต ด, ดูนะไอความคิดของเราที่เราตายแล้ว เหมือนเอาแบบเหมือนเหมือนสมัยที่ไอเตาลำยายมันระเบิดใช่ไหมหรืออะไรอ่ะตู้มหายหมดเลยหายเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหมดแล้วหรือเกิดแล้วก็ได้ีซึ่งถ้าไายวิเคราะห์โดยรวมๆนะตายแล้วก็นึกว่าจบแล้วอันนี้คือพื้นฐานว่าเป็นอุดเชท้อ ท, ท, ที่เต็มร้อยเลย ผู้ที่มีแนวความคิดในลักษณะนี้นะออกจะเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ว่าจะดิ่งหรือไม่ดิ่งอีกเรื่องหนึ่งเพราะอุเฉททิฏฐิก็มีแบบประเภทดิ่งมากกับไม่ค่อยดิ่งอะไรแต่ว่ามันแฝงด้วยตัวทิฏฐินะเราพูดเราคิดถึงความตายเมื่อไหร่นะหรือใครตายก็ช่างเถอะโดยพื้นฐานแล้วอันนี้ถ้าเรียกว่าจบแค่ตายเนี่ยอันนี้เป็นพวกอุเฉททิฏฐิเป็นทิฏฐิอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้จบจริงใช่หที่ไม่จบจริงเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างมีขันห้าเนี่ยทำกรรมเอาไว้เต็มหมดเลยตอนที่ไายมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะขันอันนี้ดีก็ทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะ กรรมสามเนี่ยทำไว้เพียบโดยอาศัยขันห้าแล้วทํากรรมเพราะขันอันนี้แตกทําลายแล้วกรรมมันจะไร้ผลหรือก็เพราะไม่คิดถึงกรรมที่ที่จ ะ, ะเป็นเหตุให้มีขันอันต่อไปนั่นแหละหรือคิดว่าจบเลยพวกนี้จึงตกอยู่ในฝ่ายอุเฉททิธิท่านบอกว่าพวกที่รู้แต่ตายอย่างเดียวพวกนี้เป็นกลุ่มอุเฉทพวกแต่สนใจแต่เรื่องเกิดอย่างเดียวโดยมากเป็นสัตตะเห็นไหม